อนาปฏิวานพิกษณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ12051พันสองรงพิชนีสงสานเพราะมีเหตุผลคืออาพาธ 2. ภพิกษณีสงสนานด้วยแป้งที่ใช้ตามปกติ 3. ภพิกษณีวิกลจริต 4. ภพิกษณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่ 6. จบ